ก็ความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านทุกฝั่งเทา่าไรแต่หลวงปพุทธิยานกาลังนำเสนอปฏิจจสมบัติในโครงสร้างของอริยสัจสี่ก็เราพูดมาสองช่วงนยแต่ในสองช่วงข้อที่ไม่ควรลืมก็ต้องกลับไปที่โน้นเลยที่ภาวะจักคือกรงล้อของสังสารวัฏเนี่ยภาวะจักมันมีกิเลส ก, กรรม นเป็นตัวหลักนำไปหมุนวนอยู่ในสังสารวัตรแต่ว่าเวลาท่านย่อยในปฏิจจสมบาทเนี่ยท่านย่อยเป็นรูปของอดีตปัจจุบันผลแล้วก็ปัจจุบันเหตุอนาคตผลเ อ, อซึ่งทั้งทั้งทั้งหมดนี่แหละมันเป็นกลุ่มกิเลสกับกรรมกับกลุ่มบิบากท่านั้นเองปัจจุบันปัจจุบันชาติแต่มันมีสองอย่าง คืส่วนเหตุก็แก่วิญญาณนำรูปอายตนะปัจจเวทนาแล้วก็มีปัจจุบันผลก็คือสมุทัยสัตว์อีกนั่นแหละมันเหมือนกับกลุ่มแรกก็คืออวิชาสังขารตานาอุปาทานพบเพียงแต่ว่าตรงนี้ถือว่าตัญหาเป็นมูลในปัจจุบันเหตุแต่มันมีตัญหาเป็นมูลคือในชีวิตปัจจุบันได้อย่าลืมนะมันเชื่อมโยงอยู่กับอวิชาเมื่อกลายเป็นอวิชาสังขารวิญญาณ ไม่ใช่อวิชาตรังสังขารตันหาอุปาทานพบเหมือนเดิมนะครตรงนี้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราจึงเรียกว่าปฏิบัติในเหตุถามว่าเป็นอะไรล่ะในอริยสัจก็เป็นสมุทัยเป็นสมุทัยศาสตร์เหมือนเดิมก็แสดงว่าก่อนจะเกิดเนี่ยมันมีสมุทัยเป็นตัวสร้างพบสมุทัยกตํานะคเป็นตัวสร้างปุญญาวิกฤติดดกรรม พอเกิดมาในปัจจุบันไอตัวผลจะเป็นวิบากเนี่ยจึงกลายเป็นที่ยึดถือเป็นอุปาทานเราไปยึดถือมันว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราเลยก็กลายเป็นทุกข์ทุกข์โดยสภาวะทุกข์โดยจิตที่ไปยึดแล้วก็พอเราสัมผัสอารมณ์ในปัจจุบันมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาอีกก็กลายเป็นนิชพาสังขารอุปาทาน อวิชาสังขารตันหาอุปาทานแล้วก็พบขึ้นมาอีกก็คือกิเลสกรรมเหมือนเดิมนะฮะลองสังเกตอวิชาตันหาอุปาทานเนี่ยเป็นกิเลสสังขารกับพบเนี่ยก็เป็นกรรมโดยเฉพาะเน้นในสังขารพบแล้วก็ต่อไปในชาติอนาคตเนี่ยเมื่อเรายังมีอวิชาสังอวิชาสังขารตันหาอุปาทานพบอยู่ในปัจจุบันมันยังไม่ถูกทำลายมันก็กลายเป็นเหตุ แต่สมัครชาติต่อไปเนี่ยมันเป็นอดีตนะสมัครชาติต่อไปเนี่ยมันเป็นอดีตถ้าเรานับมาจากอนาคตนะมันก็เป็นอดีตแต่พอดีเราก็เรียกมันในปัจจุบันเราเรียกว่าปัจจุบันเหตุแต่ว่าอะไรล่ะสมมุติว่าอย่างเงี้ยสมมุติว่าอนายก้านายขอนวันในวั น, น, วนสมมุติว่าในวันอาทิตย์นะฮะแต่วัน สมมุติว่าในวันอาทิตย์วันรุ่งมิชาก็เป็นวันจันทร์ตำรวจมาจับได้วันองังคารการฆ่าของนายกรเนี่ยเป็นการฆ่าในอดีตเพราะที่ถูกจำเนี่ยอดีตเหตุเนี่ยมันอยู่ในอดีตแต่ถูกจับเนี่ยในปัจจุบันแถามทำไมถึงจับละ่ะเพราะว่าเขาฆ่าคนในอดีตอดีตเมื่อผ่านมาสองวันที่แล้วเนี่ยคือฆ่าวันอาทิตย์ผ่านวันจันทร์มาก็จับได้วันองังคารทีนี้ตรงเนี้ย มันทำให้เขาไปติดคุกติดคุกนั้นในอนาคตมันผ่านกระบวนการอีกอาจจะเป็นเดือนเป็นปีนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ติดคุกก็ตกลงว่าเหตุมันก็อยู่ในอดีตแล้วก็การจับเนี่ยก็อยู่ในปัจจุบันแต่การลงโทษเนี่ยมันอยู่ในอนาคตทีนี้พอลงโทษไปเสร็จทั้งหมดมันก็เป็นอนาคตมันก็เชื่อมโยงกันอยู่แล้วมันก็ติดตาม จิตวิญญาณของมนุษย์ไปทั้งหมดจนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมว่านกรรมมันจึงเรียกเป็นอะไรล่ะเป็นกรรมที่ให้ผลในชาตินี้กรรมให้ผลในชาติต่อไปกรรมให้ผลในชาติต่อต่อไปทีนี้ถ้าเรามาลองเรียนดูนะฮะว่าสมมติเรานับแต่ชาติปัจจุบันเนี่ยนับย้อนไปซักชาติก่อนชาติก่อนโน้นชาติก่อนชาติก่อนก่อนอ่ะเออชาติ ที่สองจากนี้ไปนะฮะชาติที่หนึ่งสมมุติว่าเรานิชาติชาติหนึ่งชาติที่สองชาติที่สามชาติที่สี่ย้อนย้อนกลับไปนก็แสดงว่าสมมุติว่ากรรมที่เราทําในชาติที่สี่กรรมที่ทําในชาติที่สามก็เป็นกรรมที่ให้ผลในชาติต่อต่อไปสมัครชาตินี้กรรมที่ทําในชาติที่แล้วก็คือกรรมที่ให้ผลในชาติต่อไปในชาตินี้ตลอดึนกรรมที่ทําในปีก่อนเดือนก่อนวันก่อนก่อน ก็นํามาให้ผลในปัจจุบันเรียกว่ากรรมไปให้ผลในชาติปัจจุบันชีวิตเราเลยกลายเป็นกระบวนกรรมของกิเลส ท, ที่ก็หมุนกันอยู่อย่างเงี้ยพอมาเจอมาถึงทุกข์สัตย์ในชาติต่อไปอย่างเนี้ยก็คือจริงก็คือชาติถ้าเราย่อให้เหมือนกับตอนต้นก็คื อ, อเบียวิญญาณนามรูปอรยทานาพัสส า, าวีทนาแต่ที่จริงก็คือชีวิตนะคือชีวิตก็คือชาติ ทีนีในส่วนนิโรธกับมารกเนี่ยเป็นวิวัติกถาคือการกล่าวในฐานะเป็นวิวัตตะคือหลุดพ้นจากสังสารทุกข์ทรงแสดงในรูปของนิโรธวานคือสายดับเรียกว่าปฏิโลมเทศนาคือเทศนาแบบถอยกลับกรณีทรงแสดงไว้ในวิพังกสูตรดิฐานวักสังยุตตานิกายนะฮะความว่าพระวิชาดับ โดยสิ้นเชิงด้วยวิราคธรรมคือมรรคสี่อันเป็นผลของมรรคในองแปดประการอันนี้ประเด็นที่สําคัญนะคือว่าเวลาเราสวดเนยเวลาพระสวดเราองสังเกตว่าเราไม่เห็นตัวมรรคอวิชญาตเววาเซสวิรากานีโรธาสังคารนิโรโทสังยรตนิโรธาวิญญาณนั่นโรโทเนี่ยอวิชชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนามรูปดับเอ๊ะทำไมอวิชชามันดับล่ะ มันเหตุมาจากไหนตัวเหตุเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปมันจะเป็นอริยมรรคอิมัคสี่ประการคือโซดาปฏิมาสเกติคาอิมรรคอนาคามิมรรคกรหัตตมรรคเนี่ยฮะคือจะเรียกว่าเป็นประโสวดาบันเป็นพรสัจะกการมีนาคามีพระอรหันต์แต่ทีนี้การเป็นตรงนั้นแหละมันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากสัมมาญาณะคือความรู้ในทางที่ชอบแต่ความรู้ในทางที่ชอบมันเกิดมาจากอะไร มันเกิดมาจาก อ, ร า, อ, อกรการิมัคอริมัคไป็นองค์ประการอริมัคเป็นค์ประการที่ปฏิบัติหนึกจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยก็คือศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณมันก็ทําให้ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วปฏิบัติทุ่งขึ้นราคาลดลงโทรศัท์ลดลงโมหะลดลงก็ทําให้ท่านเป็นพระาตากตาคารั แล้วก็เพิ่มจนเป็นสมาธิสมบูรณ์ศีล ส, สมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาพอประมาณท่านก็เป็นพระอนาคามีทีนี้พอสมบูรณ์หมดท่านก็เป็นพระหัน์เป็นพระหันมันก็วิราคะคือจิตปราศจากวิราคะคือความกำหนัดหมายความว่าเมื่อปราศจากราคะก็ปราศจากโทสะปราศจากโมหะมันก็เหมือนกัน น, นะคือคือคือคำเหล่านี้ถือว่าเป็นวยพจน์ของอิทธานคำหนึ่ง พราะเป็นอย่างนี้สังขารมันก็ดับอย่างที่พูดไว้ในวันก่อนว่าพระหานละบุญและบาปไรเป็นบุญญาปาปะปีโนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปเพราะเป็นสังขารดับมันก็ไม่มีอะไระบิญญาณก็ดับตรงนี้แหละท่านที่สนใจเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรือนัตตาจะเห็นเลยที่จริงพระพุทธเจ้าทรงสแสดงพิจารณาทบทวนไว้ตั้งแต่ต้นโพคือสแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีอะไรเลย ผลสุดท้ายมันเป็นของชิว่างจากตนว่างจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนมันไม่มีทั้งตนและทั้งสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนซึ่งก็หมายความว่าอะไรไม่มีทั้งพบไม่มีทั้งชาติแล้วก็เริมพูดเรื่องจะราบแล้วนะเว้นไว้แต่ร่างกายขององค์ชายสิท ธ, ธัตถะเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถนั้นเป็นผลเขาเรียกวิวิบากขัน คือเกิดมาจากกิเลสทรงดับอวิชชาตันาปาทานกรรมในปัจจุบันหรือถ้าเราดูช่วงที่ทรงดับก็ชื่อดับที่ปัจจุบันเหตุดับที่อวิชชาตันาอวิชชาสังขารตนาวปาทานแล้วก็พบในปัจจุบันเหตุทีนี้เมื่อถูกดับ ไอ้นพมันก็ดับด้วยนะอดีตมันก็ดับไปด้วยแต่อย่าลืมว่าผลกรรมในอดีตเนี่ยมันเป็นผลที่เสร็จแล้วมันมีเจตนาแล้วมีการกระทําแล้วมันยังไม่ได้ให้ผลนะไม่ได้ให้ผลแกก็ตามมาได้กรรมในอดีตเนี่ยแกก็ตามมาได้ตามหมายผลตินิทตรงเนี้ยวิชาสังขารบินอ่ะสังตัญหาวารฐานพบ ในปัจจุบันกระดับเพราะอ น, นดับกรรมมันก็ดับด้วยกรรมจากขณะที่ดับกิเลสเนี่ยมันมันมั น, ม, นมันหมดไปด้วยแต่กรรมก่อนหน้านั้นไม่ได้ดับไปนะฮะเราดับมันไม่ได้เพราะเป็นเรื่องอดีตมันเป็นตัววิบากที่จะติดตามมาให้ผลให้ทันก็ให้ให้ไม่ทันก็เป็นโหสิก็จบกันเพราะวันพระพุทธเจ้าไปนิพพานเนี่ยเรียกว่าอดีตกรรมก็ดับไปด้วยเพราะไม่มีที่ตั้งของขันที่จะ ไปสร้างเป็นปฏิสนธิบินดาณหมายความว่าไม่มีกรรมที่จะนําไปสู่ปฏิสนธิวิญญาณเลยก็ไม่มีที่จะให้ผลไม่มีนํามรูปจะให้ผลพวกง่ายไม่มีนํามหรือว่ามีชีวิตจะให้ผลก็ได้พูดง่ายๆ่าเพราะ น, นกระบวนการเหล่านี้ก็ดับดับอย่างสิ้นเชิงก็ดับไปเป็นแถวนะฮะแต่ว่าเวลาเรียงเนี่ยตรงจะเรียงเรียงทุกตัวข้อทุกหัวข้อ ก็เป็นการคลายความข้องใจสงสัยว่าเอออย่างนี้มีอยู่หรือเปล่าอย่างนี้มีหรือเปล่าบางอา จ, จะเกิดคำถามอะไรขึ้นมาก็แสดงเห็นว่ามันดับไปตลอดทั้งกระบวนการก็สังขารจึงดับก็แสดงว่าบุญก็ดับบาปก็ดับอนเนชาก็ดับอนเนชาที่จะนำไปสู่พบนะทีนี้ตัวผลของอนเนชาก็ยังใช้ได้นะพระพุทธเจ้าก็เข้าสมบัติ เข้าสมาบัติได้ยังใช้เข้าสมาบัติอยู่แต่ว่ามันไม่ไม่ไม่สามารถจะนำไปสู่พบได้แล้วเพรา ะ, ะไรเพราะว่าเขาต้องไปได้กันนะเขาต้องไปได้กิเลสกิเลสมันไม่มีแล้วแล้วก็เพราะสังขารดับในวิญญาณก็ดับไม่มีปฏิสนธิวิญญาณ เมื่อไม่มีวิญญาณนามรูปก็ดับก็ไม่มีไม่มีนามไม่มีทั้งรูปนะไม่มีอะไรล่ะสัญญาเวทนาผัสสะมนานติการไม่มีอะไรทั้งหมดเลยครูพูดง่ายไม่มีชีวิตอะตรงนี้นึกถึงชีวิตแล้วก็จ ะ, จะง่ายกว่านึกถึงนามรูปไะ ว่าไม่ไม่มีการเกิดเพราะไม่มีผู้เกิดจึงไม่มีการเกิดไม่มีปัจจัยให้เกิดทําไมไม่มีผู้เกิดเพราะไม่มีปัจจัยให้เรียกว่าผู้หรือว่าตัวตนไปเกิดการเกิดจึงไม่มีเมื่อการเกิดไม่มีเนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนให้ออกอาญตนะกพวกเวทนาพวกผัสสะพวกผัสสะพวกเวทนาอะไรทั้งหมดมันก็ล่มลระเนระนาดไปนั้นก็เป็นสายเกิด ร้อ น, นก็ทรงแสดงว่าความดักแผงกองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยประกาศราชนีอันนี้คือเป็นก็ เ, เรียกว่าเป็นนิปปิยายคือทรงแสดงเหมือนกันทุกทีนะแต่เราต้องการจะท่องไวเนี่ยท่องไว้สักชุดแล้วก็พอแล้วนะเห็นปับ๊บเห็นหัวปั๊บแล้วก็ว่าได้เลยไม่ต้องอ่านข้างล่างนะเหมือนกับทุกคำด้วยนะไม่ว่าจะปรากฏในที่ใดก็ตามเห็นปับ๊บอธิบายได้ล้ เราจึงพบองค์ธรรมที่ซ้ำๆกันอยู่ในประไตรบิดกนี่มีอยู่เป็นนั้นมากแต่จากอยู่ตรง น, นี้ท่านสายชนก็จะเห็นว่าอาวิชาสายดับปฏิจจสมุปบาทสายดับไม่ใช่อิชาสายดับปฏิจจสมุปบาทสายดับจึงเป็นผลรวมของอริยมรรคแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็นนิโรธทีนี้ สายดาบแต่ตามปกติไม่คเคยเกิดไม่เคยพูด่นะเพราะว่าเราพูดในแง่ตัณหารวัตเราจึงเห็นความจริงสองด้านว่าแนวการพูดถึงนิพพานเป็นอัตตาตัวตนอยู่ในอายตนะนิพพานแดนนิพพานเมืองนิพพานเมืองแก้วคือกล่าวแล้วเกือมาตมะนาพรนิพพานอะไรแต่ไม่รู้โลกนิพพานก็ว่ากันไปมันไม่จีิงหรอก ไม่มีภพไม่มีชาติและเราจะเห็นทีนี้เราจะเห็นหนึืงว่าพระพุทธเจ้าแสดงภพไว้เนี่ยเป็นสามภพคือกามาภพแล้วก็แสดงถึงกิเลสกรรมที่ไปเกิดในการมาภพรูปภพแสดงถึงกิเลสกรรมที่ไปเกิดในรูปภพอารมป์ภพแสดงกิเลสกรรมที่ไปเกิดในรูปภพเรียกว่าการมาวัจรภูมิรูปาวัจรพุธอารมณ์วัจรพุธ ในความกลางมาวัจรอภูมิจิตที่ท่องเที่ยวอยู่ในกลามเนี่ยมันก็ไปเกิดในกางอภูรูปาวัจรอภูมิจิตที่ยกระดับขึ้นไปอยู่ระดับรูปิชานเนี่ยจนถึงเป็นมนาคามีนี้ไปเกิดในรูปาวัจรอภูในรูปภพได้หรือไมแล้วก็จิตที่พัฒนาขึ้นไปอยู่ในรูปาวจรภูมิก็บังเกิดในอรูปภพแต่ว่านิพพานเนี่ยไม่มีภพ มีต่ภูมิมีแต่ชั้นของจิตชั้นของจิตเป็นการดับสนิทดับเย็นดับเหมือนกับไฟดับแต่ไฟดับแล้วหายไปไหนมันการดับมันมีนะในแง่ที่จริงแล้วก็สิ่งที่ดับไม่มีนะฮเพราะว่าไอ้กองไฟมันไม่รู้สึกมันดับมันไม่รู้สึกมันดับไม่ยุดติดหรืมันดับหรือมันติดเพราะอะไเพราะกิเลสเป็นเหตุให้รู้สึกว่าฉันดับฉันติดแี่ไม่มี แล้ว า, ามองกองไฟเนี่ยมองในแง่ของความจริงว่าการดับมันมีสิ่งที่รู้ตัวเองว่าตัวดับเนี่ยไม่มีแต่คนที่รู้เนี่ยทุกคนนอกก็รู้นะเห็นคอยดับก็รู้ว่าไฟมันดับแต่ถามต้นไม้มันรู้ไหมไอ้ต้นไม้เนี่ยมันรู้ไหมหรือว่ารวงไฟฟ้าเนี่ยมันรู้ไหมมันดับเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันดับเพราะอะไรเพราะว่าไอ้จิตที่ไปยึดติดว่าเรา เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่มีจึงไม่รู้ว่าเราดับหรือว่าเราถูกดับแต่ว่าการดับนั่นก็มีแต่เมื่อพูดด้วยภาษาธรรมดาอย่าลืมด้วยภาษาธรรมดานะว่าพระที่เข้าถึงโล ก, กุตตรภูมิในเวลาสื่อสารธรรมดาท่านก็สื่อสารด้วยภาษาธรรมดาเพื่อเกิดคําเข้าใจมันก็มีคําว่าเราซึ่งเป็นคําสมมตินะเราในสมมติว่าสื่อสาร ให้สามารถพูดกันได้ว่าเรากับเขาอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้สัพนามเรียกพระองค์เป็นคําแปลกนะเรียกว่าตถ า, าคตถ้าเราแปลโดยรูปศัพท์ก็แปลว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปมันเป็นกระบวนการของสุทธาธรรมะคือทํำล้วนๆมากม็บุญไปเป็นกระแสเขาเนี่ยนะฮะตอนเกิดก็เป็นกระแสของอวิชชา สังขารวิญญาณจะเกิดเป็นกระบวนการของปฏิจจสมบาทิดังกล่าวทีนี้เมื่อวิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับหมายความว่าพระอราหันต์ ท, ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายอะไรแต่อะไรทั้งหลายในอดีตมาอย่างไงท่านก็มาอย่างนั้นเนะ่ยก็มาเหมือนกับที่ท่านมากันมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปเกิดอย่างที่เกิดแล้วก็ดับอย่างที่ดับ หมายความว่าสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมาดึงเงื่อนไขอย่างไงเนี่ยตอนเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เกิดดึงเงื่อนไขอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตเกิดดึงเงื่อนไขอย่างไงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นพระพุทธเจ้าดึงเงื่อนไขอย่างนั้นแล้วพระเจ้าในอดีตเนี่ยจากไปดึงเงื่อนไขอย่างไงพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นก็มาอย่างที่มาแล้วก็ไปเอ่อไปอย่างที่ไป มายัางไงก็ไปอย่างนีง้เป็นการแส ด, แดงถึงกระบวนการธรรมชาติธรรมดาที่มันครอบคลุมสปปรรพชีวิตเอาไว้แล้วถ้าเรามองดูเราทุกคนมันก็เหมือนกันนะเรามาอย่างที่เรามาเราก็ไปอย่างที่เราไปเขาก็มาอย่างที่เขามาเขาก็ไปอย่างที่เขาไปแต่เงืง่อนไขการมากันไปนี่เหมือนกันหมายความว่ามีกิเลสมีกรรมคือในสายเกิดนะฮะเราจะเห็นว่าอวิชชาสังขารวิญญาณ ไม่ใช่ไม่ใชอวิชาอาวิชาสังขารตันหนาะอุปาทานแล้วก็พบเหมือนกันองค์ประกอบของการเกิดเนี่ยเหมือนกันก็คือองค์ประกอบของทุกสัตว์ไม่ใช่องค์ประกอบของสมุทัยศาสตร์ทีนี้พอเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบของวิญญาณนามรูปอนยตนาภาษาเวทนาเหมือนกันย้อนอดีตสักกี่ล้านปีก็ได้ไปนะถึงอนาคตสักกี่ล้านปีก็ได้ คือเวลาเนี้ยเรามักจะมองยึดติดในเชิงรูปแบบก็ยังนึกถึงว่าเรากำลังจะเปิดเมาส์เทเลแห่งโล ก, ก น, นะฮะสอนด้วยภาษาต่างๆกัหลายภาษาเราก็คงไม่เก่งแต่าภาษานะ่งไงนะฮะแต่ยังมองในด้านความคิดเนี่ยที่ระดมความคิดกันในันก่อนก็ยังนึกว่าเวลาออกมาด้ถึงรายละเอียดเนี่ย เอกสารตหรับตํานาที่ใช้เขียนเนี่ยมันจะมีอัตรากตัตนเข้าไปปนอยู่เยอะหลยคือแทนที่จะให้ความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็ดูพระเจ้าทรงแสดงว่ายังไงพวกนักปฏิรูปนักตีความนักวิจัยนักอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคือจะเอาความรู้สึกนึกคิดของตัวเองมาเลวลานี้มันมีความคิดในกระแสหนึ่งคือระดับอุดมศึกษาเนี่ก็ถือว่างานวิจัยเนี่ย เป็นงานที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าพัฒนาการนะด้านการศาึษาแล้วก็คิดจะวิจัยคิดจะวิจัยธรรมะขึ้นมาเองเนี่ยค่อนข้างสารภาพนะเราไม่รู้จะวิจัยยังไงเพราะมันลงตัวนะฮะคือคือหับธรรมในประไตรปิดกเนี่ย คือถ้าเรามองให้เป็นวงกลมแล้วเราจะเห็นว่ามันเป็นปฏิเวทและเป็นปริยัติเป็นปฏิบัติและก็เป็นปฏิเวทมันจะหมุนอย่างนี้คือเป็นธรรมะจากหาไทยหาไทยของพระเจ้าตอนนั้นก็สัสรุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะนั้นสิ่งที่เปล่งออกนั้นมันมีฐานะเป็นโลกุตระแต่เมื่อเข้าหูเราก็เป็นปริยัตสมะปราวนะหมายความวมาออกมาในฐานะที่เป็นปฏิเวท แล้วก็เป็นปริยัติสมัครเราพอเราเป็นปฏิบัติก็ปฏิบัติสมัครเราแต่เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วเวลาเกิดผลเนี่ยมันต้องตรงกับปริยัติที่เราเรียนมาเพราะปริยัตินั้นจริงๆเป็นปฏิเวทโดยสถานะที่แท้จริงนี่ยเป็นปฏิเวทจะนํามาเขียนในลายลักษอนออกไปแต่นั้นเองคนก็นึกไม่ออกว่าต้องวิจัยอะไรเร๋ยรนี่เราก็ชอบพูดกันมากแล้วก็บางทีก็เกิดทางการนะฮะ คือเรามันใหญ่เกินไปใหญ่มากเกินจนขนาดจะวิจัยคําสอนพระพุทธเจ้าตีความคําสอนพระพุทธเจ้าได้เนี่ยไม่จะธรรมดานะฮรคือคนระดับพระอระหรันต์พระสาดิบุตรเนี่ยมีมีหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะโดยสรุปต่อหน้าพระหมหาสาวกทั้งหลายพระนนทบ้างบากมากระจาญนาะบ้างพระศาดีบุตรบ้างพระโมคคัลลานะบ้างเนี่ยครคือต้องการนะรนะนะนะท่านเหล่านั้นอธิบาย แล้วท่านก็อธิบายก็ถ้าพูดสำรวจปัจจุบันว่าท่านก็วิจัยแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็บอกว่าท่านต้องไปถามพระพุทธเจ้ากราบทูลถามพระพุทธเจ้าดูก่อนนะพระเจ้าทรงวินิจฉัยไว้อย่างไรให้ทรงจำไว้อย่างนั้นพระอระหันต์นะฮะท่านรู้ว่าเมื่อท่านที่แสดงไปมันตรงกับที่พระเจ้าทรงประสงค์นั่นแหละ แต่าเพื่อแสดงให้เห็นความเคารพต่อพระพุทธเจ้าให้เป็นศูนย์รวมด้านจิตใจของคนก็ให้ประกาศทูลถามพระพุทธเจ้าสุภเจ้าทรงยอมรับนะฮะทรงอนุโมท น, นาแล้วก็ทรงยอมรับแต่เป็นการโอนย้ายความเคารพนับถือแทนที่จะไปเกาะ อ, องค์นั้นองค์นี้องค์โน้นเนะฮะให้มันมีศูนย์ทุนรวมอยู่ที่พระพุทธเจ้า เพราะ้รวมอยู่ที่พระพุทธเจ้าได้เนี่ยจากความเป็นมากเนี่ยมันจะสู่ความเป็นหนึ่งคือความหลากหลายต่งตางๆที่มีอยู่ภายในสังคมเนี่ยจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันคือเราลูกสีลพระพุทธเจ้าเวยกันอย่างพระเนี่ยที่จริงเป็นกลุ่มคนที่ไม่ใหญ่โตอะไรและไม่มากอะไรคื อ, อยังนึกไม่ออกว่าทาไมจะต้องคิดแบ่งแยกคือว่ามัน มันเป็นนิกายต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าอย่าแตกต่างคือมันแตกแยกแต่อย่าแตกต่างเจอกันพระสมมติว่าเราเป็นเทราวาสเราก็เจอมายานแต่ท่านเป็นผู้ใหญ่กว่าเราเราก็ไหวกลับท่านนะความเป็นพรนไม่ได้อยู่ที่หมจีวร อ, อย่างไงแล้วไม่อยู่ที่มายานเทราวาสนะ มันอยู่ที่ความเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาที่ผ่านการบวชเรียนมันถูกต้องธรรมธรรมบิ น, นัยเขาชือว่าเป็นพระที่ชอบโดยรธรรมบินัยในขณะที่อยู่ครองเพศเป็นภิกษุทำไม่ต้องอาบัติประชิกถ้าเรยังเป็นพระอยะู่อ่ะแต่แง่มุมมันมากเกินเพราะมนุษย์มันเอากิเลสนําซะก่อนทุกทีจึงกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเอกภาพทางสังคมสูงเนี่ยกลุ่มคนมันไม่หลากหลายอะไร มันน่าจะสร้างได้แต่ว่าง้องแง่นง้องแง่ น, งนก็ไปกันไม่ก็ได้นี่ก็เพราะอะไรเพราะว่าไอตัวสมุทัยมันนำจะต้องชีเลยความทุกข์ก็จึงเกิดขึ้นทุกฝั่งกันหลายแต่รุ่งประภูติญาณใ น, นวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไปบุ์ในธรรมจมีแด่ท่านผู้ฟังกันหลายโดยทั่วกันสวัสดี